<c oughs> ขึ้นมาเป็นประมาณเจ็แปดปีขึ้นมาแค่ปุปีเลยก็ <c oughs> เจออยู่สองครั้งบ้าครั้งหนึ่งก็มาชุดแรกเมื่อเจ็ดแปดปีก่อนก็มันเดินออกไปหล่นแต่นั่นะนะก็ครั้งต่อมาก็ประทิฟนี่ก็อยู่ในในในหมู่คณะที่เดิมาเจอช้างช้างโ ข, ง, ขงใหญ่เลยนะหล <c oughs> ังจากนั้นมาก็ได้ยินแต่เสียงร้อง มาเที่ยนี้ก็ถือว่าโชคดีที่เงียบป่ามันเงียบมากเลยสักป่าไม่ร้องเก่งกวางก็ไม่ได้ร้องปกติมีฟานมีกวางมันร้องแล้วก็น้าแ้งก็เจอเจอฝนเจอหมอกเหมือนหน้าฝนเลยอันนี้ก็ฟ้าเปิดหน่อยเห็นพื้นที่โครงสร้างทิศทางแล้วคือขึ้นพิชิตยอดด้วย พี่ยอดปูยองปูตามเครื่องวัดนี่สูงพันห้านะที่นี่สูงปร0 0าันหกเลยความสูงพี่ยอดเก่านี่นะยอดปูยองปูเนี่ยถ้าหล่นแต้นั้นสูงประมาณ1ันสองพันสองห้าสิบจารย์บอกว่าต่างกัน100นึงต่างกันสองสสองห้าสเหนื่อยไหมทางนี้ เงียบเงียบไปไหนก็ไปใช่ไหมพาไปไหนก็ไป <พา S 1> ว่าว่าง่ายดีนะเานาะอันนี้ยังยังเรายังยังเป็นกลุ่มเป็นทีมเพราะว่ามันเป็นชุดบุกเบิกไม่กล้าปล่อยอ่ทีแรกว่าจะก็คิดเหมือนกันตอนที่นั่งอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ๆนะตรงที่ก่อนจะปีนกันนะตอนตรงนี้นะ<ม>ว่าจะให้อยู่ต้นไม้คนละต้นละต้นห่างกันยี่สิบสามสิบเมตรแต่มันเป็นด่านช้าง อาจารย์ก็ตรวจสอบดูประมาณห้าร้อยเมตรแล้วมันไม่มีร่องรอยไม่มีร่องรอยใหม่เลยประมาณสักห้าหกเดือนแล้วไม่มาเลยแต่ทีนี้ตามหลักแล้วเนี่ยิธีตั้งค่ายแรมเนี่ยเวลาแล้วเข้าป่าอยางเงี้ยรอยทางช้างเก่าเนี่ยมันเคยเทียวห้าหกเดือนเนี่ยมันจะมาอ่าอ่ามันมันมันซึ่งไว้ใจไม่ได้ทีีก็อยู่ตรงนั้นก็เสี่ยงแต่ว่ามันจะ ตะบะเราจะแก่ก้าวไวแต่ก็อยากจะฟาเสียงใจมานั่งอยู่ใต้ต้นโคนต้นไม้นี่โอ้ตั้งทากัลวตรงนั้นดงทากันเลยถ้าฝึกอย่างนั้นก็มันก็เสี่ยงไปหน่อยเพราะว่าถ้าเราแค่เราขึ้นมาเป็นคณะแล้วก็นอนเป็นคู่เป็นหมู่คณะอย่างนี้ก็ยังยังปลอดภัยดีน ไ ด, ไ, ด ไ, ดได้มาถึงสถานที่แบบนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าแก่งพอสมควรทั้งกายทั้งกล้ามเนื้อทั้งจิตใจมันก็ฝึกฝนหลอมตีทุกตีให้เราเข้มแข็งขึ้นทั้งกายทั้งใจเป็นพื้นฐานให้เราไปวันข้างหน้าเพื่อไปฟอรนัสที่อื่นที่ไหนก็เรามีประสบการณ์การเดินป่าการเดินเขาไม่ไม่ต่างจากพระธุดงหรอกที่ว่าพระธุดงที่ท่านเดินธุดงอแต่ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเดินตามถนนนะอืม <c oughs> อันนี้คือคือคือเขตช้างเลยน ะ, นนนะเราลยเป็นหนึ่งเป็นยอดเขาหนึ่งในประเทศไทยเลยนะในที่ภาพทุดงจะต้องขึ้นมาตามหลักแล้ว <c oughs> สายลงปู่ชอบเดี๋ขึ้นมาที่นี่แต่ตอนล้องหลังเนี่ยพระรุ่นใหม่ๆแต่ท่านจะไม่ค่อยขึ้นมาแล้วเพราะว่าประสบการณ์แล้วก็ความใช้คำว่าศรัทธาหรือว่าความทุ่มเทยังไม่เพียงพอนอกจากอยากคนที่จะ ท่านจะขึ้นมาอย่างนี้ได้ต้องกล้าหานพอสมควรต้องต้องต้องกล้าหารกับสสารที่ทั้งต้นไม้ช้างป่าสัตว์ป่าและมันเหนื่อยเนี่ยเราที่เราเห็นนั่นแหละจะเลอขึ้นมาต้องกล้าหานจริงจะขึ้นมาฝึกฝนได้พระพนี้ใครมาปฏิสฐานเลยพระนี้น่าจะเป็นพระที่สายหลวงปู่ชอบนี่แหละคิดป้านะอ่สายหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบนะคอได้ยินนะที่จังเยได้ินรรครับนีบ่ยสายวัดป่า<ๆ>เป น, เปนอาจารย์ของอหลวงปู่บุญยริศ อยู่จังหวัดเลยนี่แหละอย่บางสะพุงนี่แหละอยู่บอยู่บงสะพุงไม่ใช่ไหเมอวังสะพุงบางสะพุงนี่ใช่บ้านูชอบเนี่ยคนผรับเปน่าเอะไรคะห้วยอ่ะผู้ชอบท่านอยู่หลายวัดเปกิษย์ลูกิยเอกอาจาบ้านคยแล้วออเราเคยมาครั้งครั้งแค่ครั้งเดียวนะอย่างเรามาฝึกฝนเนี่ย ครั้งเดียวสคืนเนี่ยพิว่าโชคดีแล้วเป็นโอกาสสำคัญโอกาสปีถึงเรามาอย่างนี้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบไม่ได้แบบมสมาทานศีลในตรงแต่ว่ามันมันมีคุณค่ามากสำหรับคนฝึกร่างกายและจิตใจเพื่อจะอต้อนรับกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างน้อยมันสร้างผูมุมกันให้เราสร้างความเข้มแข็งสร้างปัญญาเพราะปัญญาเนี่ย มันได้ก็ได้ตรงนี้ะที่เราจะได้อ่านแค่อ่านหนังสือหรือว่าเรียนทฤษฎีหรือฟังคุณอาจารย์บรรยายในห้องประชุมเนี่ยมันยังยังไม่เพียงพอมันได้แค่ปัญญายาในจินตนาการพอเรามาฝึกฝนในภาคออกหน่วยออกปฏิวัติการจริงๆเนี่ยมันจะต่างกันอย่างเงี้ยสัมผัสตรงตรงถลุดก็หลุดจริงนะเดินไม่ทันเพื่อนนหลงป่าเลยนะ <S <S หลงนี่ไปไม่ถูกเลยนะอาจารย์ยังหลง ขึ้นมาในลงไปสิบกว่ารอบแล้วมีกี้ไปเก็บผ ล, ลไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือผ ล, ลไม้เทวดาลงาเกือบไปไม่ถูกไม่ใช่เราพยายามไปให้ถูกเพราะกลัวเสียฟอร์มอุตส่าห์จานไก่ก็ไม่ไก่เออวันกลางคืนมาข้ามมามันคนละเรื่องเลยนะตอนกั้งวันก็เดินวิ่งวิ่งก็ได้วิ่งตามทางไปเลยพอมืดมาเนงงเลยไฟว่าว่ามัน ง, งงเงาไฟ ยังยั ง, ยงโชคดีที่เราไปเจ อ, อยังยังไปหาเจออยู่เล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ก็ถือเป็นการฝึกซ้อมเป็นการเรียนรู้เหมือนกันตั้งแต่ปลดหมากรากไม้พวกกินยอดหวายกินผักกินที่หลับที่นอนเนี่แหละเราต้องอยู่ให้ได้ถ้าเราอยูอย่ฝึกการเรียนรู้แล้วก็อยู่อย่างนี้สภาพแบบนี้ให้ได้นะพอเราไปอยู่ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในเมืองเนี่ย พอเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆล้วก็พอรับได้ไงอ แ, แต่แต่ทุกเรื่องทุกทุกเหตุการณ์มันจะผ่านไปไม่ว่าจะหนักจะเบาจะสุขจะทุกข์มันจะผ่านไปหมดเหมือนเราเดินผ่านมาแต่ละก้าวปีนหน้าผาเมื่อวานมาปีนหน้าผาตรงนั้นหลงหลุดไปหลุดมาใจหายใจคว่าแต่ส่วนใหญ่พูดตามไม่ค่อยใจหายหรอกบางทีก็ไม่รู้ว่าหลง <laughs> เขาภาพไปไลยกูไปดุอย่างเดียวเลยเ <laughs> อ นะสร้างภูมิุมงกันสร้างให้เรามีประสบการณ์ในการเดินป่าแต่พูดถึงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเนี่ยมันก็อย่างนี้ละเราได้แค่ชิมลองไม่ถึงกับเก่งไม่ถึงกับรู้อะไรมากมายหรอกเพราะว่าพอปล่อยก็งงเหมือนกันอถ้าก่นแก่นคนแถวบ้านนี้ก็ปล่อยอย่างนี้ทีละคนเลยจะเจอกันหล่แต่กันไหมคงได้หากันนะงั้นเนาะแต่มันก็อันตรายมาคณะเป็นอย่างนี้ก็ ไปให้รอดฮะนีอก็พยายามตื่นตัวตื่นรู้เข้าไว้อยู่ในป่าแล้วนอนพักผ่อนเต็มที่เต็มอิ่มแล้วก็ตื่นตัวขึ้นมาสังเกตเรียนรู้รู้ว่าเรามาดำรงชีวิตอยู่ตรงนี้มาตื่นตัวตื่นรู้ดำรงอยู่ตรงนี้ <c oughs> ดำรงกายใจอยู่ตรงนี้ครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าซ้ำๆหรือบ่อยๆมันเป็นนานๆทีแล้วจะมีโอกาสมาเป็นอย่างนี้ อย่างน้อยบางคนรอถึงสิบปีแล้ว76็ดสิปีโอหกสนะรอตั้ง67ปีนะจึงมาได้ได้มาเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นณ <c oughs> เวลาหนึ่งณนะช่วงหนึ่งของชีวิตย่งหนุ่มคนนีย้ยอดสุดแล้วก็น้องคนนี้เราทุกๆคนเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอาจารย์มันปรากฏกายใจอยูอย่ในตลอดที่เรามารวมกันครั้งนี้ก็ถือว่ามันเกิดขึ้นได้ยากมากถ้าเรามาอะไรอย่างเงี้ก็ตื่นตัวตื่นรู้ให้มากๆ เวลาพักผ่อนเหนื่อยเนนื่อยก็หลับเต็มที่ตื่นขึ้นมาก็สังเกตเรียนรู้รอบๆโครงสร้างทั้งหมดที่เรียนรู้ทวนไปทวนมาเหมือนเราอ่านหนังสือนั่นเหมือนเราเรียนป .1 ป .2 นั่นแหละงานจะทวนลงไปเส้นทางที่เรามายังไงไปยังไงในยินในฟังรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆที่มันมาตั้งรูปเสียงกลิ่นรสพอดสภาพธรรมโารมณเนี่ยช่วงช่วงวันสองวันเนยสังเกตดู แต่บางทีมันก็ตกใจในข้อมูลมันมันยังเฉยเฉยมันยังนิ่งๆมันยังงงงอยู่ผ่านไปสักพักหนึ่งสักห้าหกเจ็ดวันกับประยุกเทมันก็ทวนอีกทีนึงเหมือนเราอ่านหนังสือ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนกับจำลองอาการตื่นรู้การปฏิบัติอันนี้ก็เหมือนกันมาปฏิบัติเหมือนพระเหมือนอันนะั้นนะครูบาอาจารย์มาท่านก็มาอย่างเงี้ยก็มากลางเต็นก ล, กลางกดฎปักกฎอยู่ท่านก็มาฝึกสังเกต แต่ถ้าท่านมารูป 1- นสองรูปมันก็จะเข้มแข็งกว่าปกติแต่ถ้าเรามาเป็นคณะมันก็เฉลี่ยความเข้มแข็งเฉลี่ยาการสังเกตออกไปเพราะว่ามันต้องช่วยพึ่งปาอาศัยกันอย่างทีก็อาศัยคนนําทางอาศัยผ่านป่าอาศัยคนได้หลายคนแต่ถ้าเรามาคนเดียวต้องต้องพึ่งพาตนเองอย่างเช่นนะมาคนสองคนเนี่ยต้องตื่นรู้สังเกตดูแกะลายแกะล่องลายเดิน ด, ด้วยตนเองใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองอันนั้นจะเก่งเหมือนกัน <c oughs> ใ ห, หม่ใหมก็ ผิดผิดถูกๆหลงหน้าหลงหลงัลงป่าเรื่องคนละหมากร่างไม้ ก, ก็กินผิดกินถูกอะไรพวกนี้มันเปนการพิจารณาธรรมนะ่ะถ้าเราฟังแต่กุบายจารย์อย่างเดียวอ่านแต่คำพี์ตำรับตําราอย่างเดียวอยู่แต่วัดตถวาอยู่แต่สุรสบายเราก็ไม่เข้มแข็งพึ่งพาตัวเองไม่ได้ <c oughs> เหมือนไวรุ่นมันฟังเพลงถ้าไม่ได้ฟังเพลงมันอยู่ไม่ได้ไม่ได้เทียเ่ยวพับเทียเท่ยวเทแก้วอะไรมันอยู่ไม่ได้ลองอาศัยสิ่งเหล่านั้นถ้าคนเราอาศัยแต่คัมภีร์ตำรับตํบตาราเอาใจแต่กุบายจารย์อย่างเดียวก็ วันหนึ่งไม่มีครูอาจารย์ก็ไปไปไปไม่ถูกเหมือนกันพึ่งพาตนเองไม่ได้แต่ถ้ามาอย่างเงี้ยเราค่อนข้างจะเป็นทำให้เราเข้มแข็งฝึกฝึกฝึกฝตัวเราให้เข้มแข็งเข้มแข็งยางไงบางคนก็ขยะกขยแยงตะขาบไสเดือนกิ้งกือใช่ไหมแหมขยัทา่าฝึกขยะกก็ต้องได้จับได้เจอได้พบได้ผ่านเป็นป่าดิบบางคนก็ไม่คุ้นเคย โอ้โหถ้าไปนั่งอยู่คนเดียวในป่าดิมันคงเอาเรื่องเหมือนกันนะอถ้าถลายคนมันก็ค้ำเกันสามคนก็ค้าเหมือนก้นเศร้าอ่ะมันเย็นยันกันมันก็เลยช่วยเสียลี่ยความกลัวออกไปถ้าอย่างเงี้ยถ้ามีอาจารย์เนี่ยมันก็จะเฉียลี่ความกลัวหรือยกให้อาจารย์คนเดียวแล้วไปชอบเองฉันนอนหลับอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันช่วยได้นะเออ้องพระมาอย่างงี้ก็สอุ่นใจนะปวดพระออก แต่ว่า ส, ส, สิ่งเหล่านี้ทําให้เราเข้มแข็งการไม่ได้พึ่งพิงนี่การยืนยืนด้วยลําแข้งเราจะเข้มแข็งกับการอ้อนวอนขอร้องกับการขอผู้อื่นช่วยเหลือให้เขาป้อนข้าป้อนน้ํานําทางเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยแข่งแต่ถ้าเราฝึกฝนด้วยตนเองอย่างเนี้ยเราไม่ได้อ่านําพีเรามาจริงห้องนี้เป็นประสบการณ์ไม่สูญหายแน่นอนและเข้มแข็งบางทีบางบางช่วงก็หนักกว่า น, นี้อีกก็มีนะเดินเดินหนักกว่า น, นี้ก็มี นในเมืองไทยแล้วมทีที่หนึ่งก็คือภูสวยดาวจังหวัด <c oughs> อุตรดิตติดชายแดนไทยล้างสองพันกว่าเมตรสองพันสองสอง้เมตรอันนั้นก็โหดเหมือนกันไปเจอเลือกเจอมุ่นเจอโอ้สารพัดเลยฝนก็ตกปีนโหนเทาวันขึ้นเหมือนกั น, น, กนเอาเรื่องพลาดไม่ได้แล้วก็ห้ามพลาดต้องดูกันให้ดีๆ มันก็ไปรอดกันเนี่ยมันก็ทําให้เราเข้มแข็งเรื่องเรื่องเหล่านี้มันแค่ความทุกข์ทางกายภาพไปเฉยทางราง่รางกายเล็กๆแน้อยถือว่าเป็นสีสันเป็นสีสันของชีวิตเป็นสีสันของร่างกายของเราถ้าคนเราทนเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่ปวดเมือ่อยพยายาเดินมากๆแค่นี้ไม่ได้ก็ทนเรื่องอื่นไม่ค่อยได้ถ้าเราผ่านเรื่องนี้เหล่านี้ได้ยอมรับมันได้ตื่นตัวตื่นรู้มันได้ยอมรับความเป็นจริงตรงนี้ได้ยอมรับความปวดความเมื่อยได้ เรื่องอื่นมันก็ยอมรับไปได้มันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นส่งผลเหมือนกันถ้าเรายอมรับมดปวกยอมรับทากยอมรับความหนาวเหน็บแค่นี้ไม่ได้ยอมรับต้นเฟื่อนต้นอะไรพวกนี้นอนอยู่สภาพแบบนี้ไม่ได้เรื่องอื่นเราก็ยอมรับมันไม่ค่อยได้ดันั้นการฝึกใจของเราเพื่อจะให้เราตื่นตัวตื่นรู้และยอมรับกับทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยสคัญไม่จาเป็นมาก เราจะต้องเป็นพูทธคิดอิสลามหรือเป็นพระเป็นสงฆ์เป็นเจ้าเราแค่เป็นคนอย่างเงี้ยเราแค่เป็นคนมีใจและเราก็มีใจกันทุกคนเรามีใจเราก็ต้องเจอปรากกการปรากฏการก็มาในรูปแบบของรูปเสียงกลิ่นรสโปรดพระที่เราชอบและไม่ชอบเท่านั้นเองมีแค่แค่นั้นแหละเนี่ยถ้าใจเรายอมรับเรื่องหนึ่งได้มันก็เป็นโดมิโนเป็นเรื่องที่สองที่สเรื่องดีเรื่องแย่นี่ยังไนักภาวนาเนี่ยนักยอมรับเนี่ยก็ไม่ควรจะแบ่งแยกว่าดีหรือแย่ไม่ควรจะแบ่งแยกว่าเป็นบวกหรือลบ เดียวถ้าแบ่งแยกมันจะไปเลือกเื่นักภาวนาเนี่ยนักตื่นตัวตื่นรู้นี่ต้องไม่แบ่งแยกไม่แบ่งแยกแม้แต่ดีแหละแยกไม่แบ่งแยกให้มากมถูกสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบให้ตื่นตัวตื่นรู้ให้มากแล้วก็ให้ทําใจของเราให้ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่เข้าไปสารวณุรืเสียเวลาการแบ่งแยกว่าอันนี้ดีนะไม่ดีนะถูกใจเราไม่ถูกใจเราถ้าเรายอมรับเรื่องหนึ่งได้ แล้วมันก็จะเป็นโดมิโน่ให้เรายอมรับเรื่องหลายๆเรื่องที่มาเป็นโดมิโนในชีวิตประจำวันของเราเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องหนักเรื่องเบาเรื่องสุขเรื่องทุกข์ถ้าแบ่งเป็นลักษณะเรื่องที่เราชอบไม่ชอบนี้นักภาวนานในสุดจะไม่มีคําว่าชอบหรือไม่ชอบถูกหรือไม่ถูกยอมรับมันอย่างสงบเงียบไม่บน่นไม่งอแงแย้ไพ่พยอะไรพวกนี้พวกนี้มันก็ฝึกทัศน์สัประสบการณ์อย่างนี้เรามาประสบการณ์ <c oughs> กดบ้างก็ยอมรับมันหิวก็ยอมรับมัน นอนอยู่อย่างนี้ก็ยอมรับมันทากเจอทากก็ยอมรับมันเดินขึ้นยากเก็บเขา่าเก็บขาปวดเมื่อยนั่งโอ้ยบงกีก็นึงหวานทานาั่งนั่งนั่งก็โอ้ยืนก็โอ้โหใช้พลังหาสารแต่มันจริงๆนะเราก็ลุกขึ้นดูลองดูโอ้โหไม่จมบนนำตึงไปหมดเลยทำให้เราเก็บแข็ง ออการใจของเราถ้ายอมรับว่าเออลุกมันก็เป็นอย่างนี้นั่งลงมันก็เป็นอย่างนี้เวลาเหน็ดเหนื่อยมันก็เป็นอย่างนี้นี่คือเป็นเรื่องของสังขารเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์หนึ่งหนึ่งที่ให้เราพบเจ อ, เ อ, อในชีวิตประจําวันของเราในการตื่นรู้ในการสังเกตเรียนรู้ทุกอย่างไม่ว่าดีหรือแย่สุขหรือทุกนี้แบ่งเป็นลักษณะนักภาวนาก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่แบ่งเป็นลักษณะนั้นให้ยอมรับมันแล้วเรื่องราวมันจะสับเปลี่ยนกันมาทั้งดีทั้งแย่ ทั้งบวกทั้งลบทั้งถูกใจไม่ถูกใจเหมือนเมฆที่เคลื่อนผ่านท้องฟ้าไะเคยสังเกตดูท้องฟ้าตรง น, นี้ไหม <c oughs> ถ้ามันเคลียร์ก็จะเข้าใจว่าท้องฟ้าเป็นยังไงมันว่างเปล่ายัางไงแล้วมันจะมีปรากฏการเมฆดําเมฆขาวเมฆแดงเมฆชมพูเมฆสีเทาลมร้อนลมเย็นหน้าฝนหน้าหนาวมืดสว่างพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เสี้ยวมีหมดเลยดาวเหนือดาวใ <c oughs> ต้มีมากมายกลายกองที่ผ่านมาปรากฏเน เป็นปรากฏการณ์ในท้องฟ้าก็เหมือนท้องฟ้าก็อุปมาดังจิตใจของคนทุกคนนี่แหละที่เราว่ามีใจกันทุกคนเนี่ยที่เรารับรู้รู้รสจินเสียงปษษษษุตตะัดธรรมลมรู้ดีรู้ชั่วก็เพราะใจนะ่ะมีใจก้อนหินมันไม่มีใจดอกกุหลาบไม่มีใจต้นเฟื่องไม่มีใจมันก็ไม่คิดอะไรมากมายแต่พอมนุษย์มีใจปุ๊บพอมันเครียรเหมือนดังท้องฟ้าที่บ้างเต่าดังท้องฟ้าที่ไรเมฆทีนี้ก็สังเกตการนักภาวนานักตื่นรู้ก็สังเกตสังเกตดูอะไรสังเกตดู เ, เ, ด เ, เดมฆ ถ้าเปรียบดังความปวดเมื่อยเป็นเมฆอ่ะถ้าเปรียบดังความสนุกสนานเลื่นเล็งในจิตใจขงเราเปรียบดังเมฆ ก, ก้อนนึงมันก็แค่ในกาละานั้นในเทศะนั้นเราสังเกตดูเราสังเกตอย่างเงียบๆได้ไหมโดยไม่ต้องไปทักท้วงต่อต้านแอนตี้พิพากษาตัดสินแบ่งแยกหรือวิ่งหนีมันเราแค่สังเกตดูเงียบๆตื่นรู้อย่างเงียบๆได้ไหมเหมือนเรานั่งอยู่ตรงนี้แค่ ลืมตาขึ้นหูให้ทำหน้าที่หูอย่าไปแอนตี้หูอย่าไปแอนตี้หูอย่าไปเลือกเสียงอันนี้เพราะเพราะไม่เพราะอันนี้ดีไม่ดีตานะ่ยให้มันลืมตาขึ้นแล้วอย่าไปใส่ความคิดในภาพที่เห็นว่ามันเป็นภาพสวยงามน่าเกียรตดน่ารักน่าชังถูกใจไม่ถูกใจให้แค่มองตาก็จงทำหน้าที่ตาตามธรรมชาติตาเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมชาติหูก็เป็นธรรมชาติเสียงก็เป็นธรรมชาติ ทีนี้การตื่นตัวตื่นรู้การสังเกตก็คือสังเกตอย่างเงียบๆนี่คือการกนักภาวนาสังเกตดูอย่างแบบไม่เลือกที่รักพักที่ชัง เ, เราได้ยินคํานี้อยู่สังเกตดูแบบไม่เลือกที่รักมักที่ชังได้ไหมแต่บางคนก็บอกว่าระหว่างท่า ก, กับดอกกุหลาบกูเอ า, เอ า, เอาดอกกุหลาบดีกว่า <laughs> เลือกดอกกุหลาบดีกว่าเห็นดอกกุหลาบทั้งป่าดีก็เห็นท่าสี่ตัว <laughs> อะไรเงี้ยในความเป็นจริง ถ้าพูดตามความเป็นจริงใจของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นเป็นที่สาธารณะเป็นที่กลางๆกลางสําหรับอารมณ์กลางสําหรับรูปเสียงกลิ่นรสผลัดตาของเราก็เป็นตาทํากลางรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นเป็นปรากฏการ์การต่างๆที่จะมาปรากฏให้เราเห็นหูก็เป็นกลางๆเสียงก็เป็นธรรมชาติทีนี้ตื่นรู้เนี่ยก็คือตื่นรู้อย่างสงบเงียบตื่นรู้อย่างไม่ไปหลับตาอย่างเดียวไม่ไปลืมอ่า ปิดหูอย่างเดียวตื่นรู้ธรรมดาทุกอย่างเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดอะไรเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดอะไรมาก็ให้มันมาอะไรเป็นก็ให้มันเป็นอะไรเงี้ยนี่คือการตื่นรู้แบบซื่อๆแบบง่ายตื่นรู้แบบไม่เลือกตื่นรู้แบบไม่เลือกที่รักไม่ที่ชังตื่นรู้แบบไม่คาดหวังล่วงหน้าอะไรก็ได้ทุกอย่างก็จะผ่านมาเหมือนวันที่อ่ะเหมือนวันที่หนึ่งที่ 2- อที่สเหมือนวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสไปเรื่อยๆเหมือนเดือน1เดือน2เดือนส เหมือนค่ําคืนแล้วตื่นเช้ามาก็แสงสว่างมาเหมือนฤดูฝนฤดูแรงฤดูหนาวมันตื่นรู้มันทุกอย่างมันแก่ลันไปเรื่อยลันไปแท๊กๆท๊กแท๊ไปถ้าพูดเป็นลักษณะกบางครั้งก็เป็นความสุขมาปรากฏบางครั้งก็เป็นความทุกข์มาปรากฏบางครั้งก็เป็นความสมหวังมาปรากฏในใจของเราบางครั้งก็เป็นเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับความสมหวังและผิดหวังสลับเปลี่ยนกันเป็นบวกเป็นลบแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเมฆดําเมฆขาวเมฆจุมปู <c oughs> ลมร้อนลมเย็นมืดสว่างพระจันทร์เต็มดวงและพระจันเสี้ยวผ่านมาและผ่านไปแค่นี้เองนี่คือธรรมชาติดอกกัวลาเบิกบานและโรยลามีอยู่แค่นี้สุขและทุกข์กลางวันและกลางคืนสับเปลี่ยนอยู่แค่นี้เราไม่เคยตกใจเวลามันเดินมืดเราไม่เคยตกใจเวลาพระอาทิตย์ขึ้นทําไมเราไม่ตกใจเพราะเราคุ้นเคยกับมันดอกไม้มันเบิกบานและเหี่ยวโรยลาไปเราไม่เคยตกใจกับมันเลย <c oughs> แต่ถ้าเป็นดอกไม้ในกระถางของเรา <c oughs> มันก็จะมีปัญหาไปเช่น <c> ว <oughs> ่า <c oughs> ความสุขของเราความทุกข์ของเราเราชอบเราไม่ชอบอะไรเราเข้าไปเป็นเจ้าข้าเจ้าของมัน <c oughs> มันก็จะมาทำหน้าที่เป็นปรากฏการณ์บังใจของเราไม่ให้เราตื่นรู้แต่หันไปพิพากษาหันไปตัดสินว่านี้ดีนี้ชั่วนี้ถูกนี้ผิดนี้ไม่ใช่นี้ใช่อะไรเงี้ยทีนี้เราจงละทิ้งความถูกความผิดความใช่ไม่ใช่หรือการคิดปรุงแต่งมากมายออกไปให้หมดให้แค่ตื่นรู้ธรรมดาแค่ แค่รับทราบไปธรรมดาไม่ต้องบอกว่าหูไม่ได้ยิน <c oughs> ไม่ต้องบอกว่าเสียงไพเราะหรือไม่เพราะแค่รับทราบแค่นั่งอย่างเงียบๆอยู่เนี่ยตามก็ทําหน้าที่ต่างหูก็ทําหน้าที่หูนี่เขาเรียกว่าตื่นรู้แบบธรรมดาตื่นรู้แบบธรรมชาติไม่ได้แส้แสงแกลงทําไม่ต้องไปบิดเบือนอะไรมัน <c oughs> มันเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นทุกอย่างมันจะลันไปตักๆๆๆๆไปการการตื่นรู้แบบธรรมดาตื่นรู้อย่างสงบเงียบตื่นรู้แบบไม่ต่อต้านไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปตัดสินไม่เข้าไปพิพากษา เขาเรียกว่าทุกอย่างมันก็จะลันไปเขาเรียกว่าไม่เข้าไปก้าวไายแทรกแทงตามหลักพุทธองค์บอกว่าเ <c oughs> มื่อตาเห็นรูปไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ยินดียินร้ายก็คือสรุปแล้คือไม่ให้ใจเนี่ยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของตนหรือเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะทุกอย่างมันลันไปเลยลันก็คือความเป็นอนิจจังตุกขตาิฏ <c> า <oughs> คือมันเป็นธรรมชาติอย่างฤดูการมันก็ลันไป ฟันเดือนก็ลันไปวันที่ก็ลันไปกลางคืนก็ลันไปเป็นกลางวันไปเลยตักเราก็สังเกตแค่นั้นเองไม่เข้าไปต่อต้านไม่เข้าไปจัดสวนไม่เข้าเป็นนักพิพากษาไม่เข้าไปเป็นนักตัดสินไม่ต่อต้านเขาไม่ต่อต้านเขาก็คือปากกฏการบางก็เรียกว่าอารมณ์เสียง กินรถโพธิ์ตะเภารรมณนก็คือเป็นปรากฏการ์เรียกว่าปรากฏการ์ความสุขก็เป็นปรากฏการ์ความทุกข์ก็เป็นปรากฏการ์เปล่กากันก็อุปมาดังเมฆที่เคลื่อนผ่านท้องฟ้าตามฤดูกาลตามเหตุและปัจจัยเราแค่เฝ้ามองรับทราบการตื่นรูก้การภาวนาก็คือการสังเกตการเฝ้ามองการเฝ้ามองลืมตาเฉยธรรมดไม่มีทิ่ติกรรมไม่มีสวดมนต์อย่างที่อาจารย์มานถึงไม่ฝ่าสวดมนต์ ให้อยู่ให้ได้ให้รับให้ได้ให้ยอมรับมันให้ได้ยอมรับสายลมได้ไหมสายลมพัดผ่านโหนกแก้มสายลมพัดผา่านโหนกแก้มและหนกยมุกเราเนี่ยมันเย็นๆบางครั้งบางครั้งก็ปวดเมื่อยสังตรวจ ส, สอบลงไปสังเกตดูแค่สังเกตดูนี่คือเป็นธรรมชาติทําไมมนุษย์เราจึงเหนื่อยมันเป็นธรรมชาติทําไมต้นซากุระดอกกุหลาบมันเยอะออกดอกมันเป็นธรรมชาติทําไมลอยลาไม่ต้องไปถามต่อมันนั้นคือธรรมชาติทําไมฝนยังตกมันเป็นธรรมชาติ ทำไมแดดจิงออกมันเป็นธรรมชาติทำไมมีพระ จ, จันทร์เสี้ยวและพระ จ, จันทร์เต็มดวงสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยไม่มีอะไรที่อยู่คงที่ถาวรมันเป็นธรรมชาติทำไมเรามาอยู่ตรงนี้มันเป็นธรรมชาติเราทำไมต้งมีเวทนาสัญญาสังขารมันเป็นธรรมชาติให้มองว่ามันเป็นธรรมชาติทำไมเรารักเป็นเกียรติเป็นสังเป็นรักโลภโกรธหลงเป็นนี่คือธรรมชาติคือดอกผลมันผลิบานออกมาแล้วก็ลอยลาไปเพียงแต่เราอย่าต่อต้านมันอย่าบล็อกมันอย่ากั้นมันให้แค่สังเกตมัน ให้ยอมรับนี่คือเ ป, เป็นเป็นธรรมชาติแล้วมันไม่มีสาระแก่นสารความเป็นจรงิง <c> ไ <oughs> ม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้าธรรมบรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันกันไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรนเซิลผดผ้าธรรมบรมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจมไม่ว่าจะถูกหรือผิดตื่สวยงามหรือน่าเกลียดมันเป็นธรรมชาติและโดยเนื้อแท้ของเขาเหล่าเนี้ยธรรมชาติเหล่าเนี้ปรากฏการเหล่านี้ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารนั้นเอง จ, จะมาเริ่มต้นพิจารณาดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันเป็นอันนี้จังทุกอยงเราไม่พูดแล้วตรงนี้มันเป็นธรรมชาติมันรันไปเรื่อยมันแปรเปลี่ยนไปมันไม่มีแก น, น, นสารถึงแบบว่าให้แค่เฝ้ามองให้แค่รับทราบอย่าต่อต้านมันอย่ายึดติดมันอย่าแอนตี้มันเพราะมันไม่มีตัวตนจริงๆไม่มีอะไรอย่างที่เรามาที่เราเหนื่ยเหมือนเหนื่อยจริงๆตอนเช้าตอนที่เรามาถึงที่ไล่พ่อฝนใบไม้มันเหมือนฝนตกใช่ไหม เหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนจริงๆเหมือนจะขึ้นเขาไม่ได้ด้วยแต่ณนะตอนนี้เรามาตรงนี้แล้วมันแต็มานี่แล้วเห็นไหมไวไหมเคยสังเกตบ้างไหมพ่ามันผ่านไปแล้วทุกอย่างมันเป็นอดีตตรงตรงนี้มันจะแตกไปต่อไปอีกตรงนี้ก็เหมือนจริงๆนะสังเกต ด, ดูเวลาเราเหนื่อยอย่า ก, กังวลไปเลยแค่รับทราบมันผ่อนอย่างผ่อนคลายมันมันเหมือนจริงเฉย มันเหมือนความฝันอย่าไปกังวลนาเย็นไว้เย็นไว้แล้วมันจะแตกไปไม่มีอะไรค้างเดี๋ยวตรงนั้นหรอกเวลาแงนมองขึ้นท้องฟ้ามันมืดมิดไม่มีดวงจันทร์และดวงดาวทุกอย่างมันมืดปิดหน้าใครอยากขแย่งหน้าหวาดหวั่นเหลือเกินพายุทอร์นาโดมาเย็นไว้เย็นไว้เด้อจะผ่านไปแงนมองขึ้นท้องฟ้าก็เหมือนเวลาบางครั้งบางช่วงขณะของชีวิตเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยปัญหาหญ้าหนุ่มสาวปัญหาความรักปัญหาความ นี่สินปปัญหาลหลายอย่างมันปัญหาเมีมาในหลายๆรูปแบบปัญหาเหล่านี้เขาเรียกว่าปรากฏการณ์ซึ่งมันเป็นธรรมชาติเหมือนดอกาากาสลกล้ามันออกดอกมาเหมือนดอกกุหลาบขาวอมจมพูมันออกดอกมาบางช่วงขณะมันเบิกบานบางช่วงขณะมันเหี่ยวแห้งบางช่วงขณะมันว่างเปล่านั่นคือเป็นธรรมชาติขั้นตอนมันที่มันเป็นไปชีวิตของเราเวลาเงั้นมองขึ้นท้องฟ้าเลืมตาก็คือเป็นท้องฟ้านั่นแหละเราเห็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เป็นฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบ ให้แค่ตระหนักรู้อย่างสงบเงียบอย่าต่อต้านมันอย่าแอมตี้มันอย่าวิ่งหนีมันอย่าพยายามจะจัดการกับมันทุกอย่างมันจะเป็นไปตามธรรมชาติอย่าอย่าอย่ากังวลไปเย็นไว้เย็นไว้ทุกอย่างมันจะผ่านไปเหมือนเช้าที่เรามาถึงไม่ใหม่บางคนโดนไก่เตะใช่ไหมไก่มันก็เตะผ่านไปแล้ว <laughs> ่าปีนหน้าผานึกภาพพระเข้าวๆยุงเทพนั่งรถตู้มาเข้าวๆมันเป็นช็อตเป็นช็อตมาเยอะแล้วก็ปีนหน้าผาตรงชันๆนึกภาพเข้าวๆเข้าวๆแล้วก็มานอนหลนแท้เข้าวๆเดินมาวันนี้เราปีนหน้าผาแล้วก็มาตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ยังไม่ใช่นะตรงนี้ก็ยังเป็นแค่เป็นมิติหนึ่งเป็นมุมมุมหนึ่งของชีวิตเราทั้งหมดนี่คือเรียกว่าเหตุการณ์ในเป็นปรากฏการณ์หนึ่งๆในในในท้องฟ้าแห่งใจ เป็นเรื่องราวหนึ่งเป็นเหตุหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งเป็นมิติหนึ่งเป็นช่วงขณะหนึ่งดังนั้นเมื่อเมื่อลาเจอช่วงขณะแบบนี้นยอย่าหวาดหวั่นกับความชอบและไม่ชอบอย่ายึดติดในความชอบและไม่ชอบเราจึงตระหนักรู้อย่างสงบเงียบจิตใจเราเมื่อตระหนักรู้แบบไม่โไวยวายแพ้พ่เดินแบบไม่ววายแพ้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ววายแเจอนาวก็ไม่ววายแพนั่นแหละเราจะสงบเงียบได้เราจะผ่าน อุปสรรคทุกอย่างจริงจิงมันก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคในชีวิตเราบางทีเราก็อาจจะเลือกเลือกเอาแต่ว่าอุปสรรคไม่เอาเอาแต่สิ่งที่ดีๆเอาแต่ราบเสื่อมราบไม่เอาเอาแต่สวยขี้เลยไม่เอาเอาแต่เจ้าพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เสี่ยวไม่เอาเอาแต่ดอกกุหลาบสดไม่เอาดอกกุหลาบเหี่ยวเอาแต่หญิงงามไม่เอาหญิงชลาอะไรเงี้ยเราอาจจะเลือกอย่างเงี้แต่ในักภาวนาไม่ควรจะเลือกแบบนั้นควรจะวางใจเสมอเสมอกันในควรจะเลือกแล้วทุกอย่างมันก็จะมาแท็ก แท็กมาปรากฏการมาปรากฏการในในจิตใจของเราในช่วงขณะหนึ่งท่านเองแล้วมันก็ลันไปเรื่อยลันไปไม่มีอะไรที่ที่จริงแท้แน่นอนมันก็ลันไปเรื่อยลันไปสุขก็ลันไปเลยทุกข์ก็ลันไปเรื่อยาเริก็สั่นไปเลยดีใจเสียใจก็ลั่นไปความรักความชังโลภโกรธหลงก็จะลันไปสมหวังผิดหวังหัวเราะและร้องไห้แค่นั้นไม่มีอะไรมากมันก็จะลันไปเรื่อยถ้าเราเฝ้ามองเป็นถ้าเราตื่นรู้เป็นถ้าเราภาวนาเป็น ก็จะเห็นทุกอย่างมันผ่านไปอย่างอย่างดงามเหมือนดังเหมือนประดังลูกโซ่เหมือนลูกโซ่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นพอสิ่งนี้ไปสิ่งนี้ก็มาอยู่อย่างนี้วันหนึ่งคำมันก็จะกลายเป็นเช่นนี้เองมันเป็นธรรมชาติเหมือนดอกกุหลาบเมื่อถึงฤดูออกดอกมันก็จะก่อเก็บกออยู่ในกิ่งแข็งเมื่อได้รับฝนโปรยปลายในเดือนหน้าเดือนมีนามีสามมันก็ค่อยแตกตุ่มตาออกมาเป็นเก็บก่ออยู่ใน ดอกจุม่มแข็งแข็งค่อยแตกโตขึ้นเรื่อยๆสีชมพูก็อยู่ในนั้นความหอมหวานก็อยู่ในนั้นเกสรสีเหลืองอยู่ในนั้นอ่าผ่านวันเวลาฟักตัวอยู่ในนั้นก็แตกขึ้นมาเบิกบานเอาให้เราเห็นแล้วก็หดหายไปในกับกาลเวลามันเป็นทุกอย่างที่เราเกิดขึ้นในใจของเรามันเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งๆดังนั้นเราอยาวาดวันในทุกอย่างที่เกิดขึ้น ไม่ว่าทางกายภาพตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่พบเห็นอย่าหวาดตันกับมันอย่ายึดติดมันที่พระเจ้าว่าสเปธมานาลังอพินิเวสายะนั่นแหละสิ่งต่งางๆต่างพวงไม่ควรยึดมัน่นถือมัน่นทั้งรูปทั้งนามทั้งรูปกินรสกินเสียงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นตัวเราของของเราไม่ว่าจะเป็นราบหรือเสื่อมราบพระจันทร์เต็มดวงหรือพระจันทร์เสี้ยวมันแค่ช่วงขนาดหนึ่งอย่างเช่นพระจันทร์เต็มดวงก็แค่ช่วงขนาดหนึ่งอย่างเช หน่งข้ามสอง้ามก็ควาเต็มเลอแล้วก็เสียเส้ยวไปเสี้ยวไปมันเป็นแค่ช่วงขณะหนึ่งที่กําลังดําเนินไปจักรวาลทั้งหมดหรือปรากฏการณ์ในจักรวาลทั้งหมดก็ค่อยรั่นไปทีละแกแทกแๆๆแเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนเปลี่ย น, ปยนแปลงไปตลอดเหมือนดอกกุหลาบเหมือนพระจันทร์เต็มดวงเหมือนค่าคืนและช่วงกลางวันเหมือนความสุขความทุกข์ความรักและความเกลียดชังรักโลภโกรธหลงก็เหมือนพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เสี้ยวผ่านมาและผ่านไปถ้านักภาวนาก็แค่เฝ้ามองสังเกต อย่าไปไวุ่นวายแพ้ไพ่กันแต่ต่อต้านมัน <c oughs> ง่วงหรือยัง <c oughs> นิดนิดมันซึมๆ <c oughs> มันเหนื่อยเนาะ <c oughs> เหนื่อยก็เป็นปรากฏการณ์งง่วงก็เป็นปรากฏการณ์ <c oughs> ถ้าใจของเราตื่นรู้นี่ใจแท้ๆไม่ใช่ง่วงง่วงนะใจแท้ๆไม่ใช่ความง่วง <c oughs> เหมือนเราที่จะอธิบายที่ว่างของท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่ถ้าถามว่ามันสุดไหนที่ว่างนี่ ก็ตอบไม่ได้มันเกิดเมื่อไหร่ก็ตอบไม่ได้มันลึกมันตื้นแค่ไหนไม่มีเหนือมีใต้ทองฟ้าที่แท้จริงความว่างเปล่าอว่างให่ไปสารท้องฟ้าถ้าอธิบายไม่ใช่สายลมไม่ใช่ลมร้อนไม่ใช่ลมเย็นไม่ใช่ความมืดไม่ใช่ความสว่างไม่ใช่ดวงดาวไม่ใช่ดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่เหนือไม่ใช่ใต้ไม่ใช่เมฆดำเมฆขาวไม่ใช่นั่นแหละนั่นแหละคือทองฟ้าถ้าอธิบายใจงเราก็เหมือนกันใจก็ไม่ใช่ความง่วง ความว่วงนี่เป็นปรากฏการณ์แต่ถ้าไม่มีใจง่วงได้ไหมก้อนหินง่วงได้ไหมไม่ได้ <c oughs> ใครรู้ว่าเรามีใจก็เรานี่หละรู้อตนเป็นที่พึ่งตนตนเป็นรู้เฉพาะตนว่าเรามีใจสุขก็ได้รู้ก็ได้อถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีสุขเรามีทุกข์เรามีดีใจเราเสียใจเราก็ไม่ไม่รู้จักใจของเราเราแค่รู้แต่ความสุขและความทุกข์แต่เราไม่รู้จักใจเหมือนเรามองรู้เห็นแต่ท้องฟ้าเมฆํา เมฆขาวเมฆแดงเมฆชุพ sure ูแต่ไม่รู้จักถึงเนื้อหาเนื้อแท้ของเบื้องหลังแบ็คกราวของปรากฏการเหล่านี้เลยเช่เดียวกันเราเวลามองลงไปที่ใจของเราเห็นโกรธโกรธไม่ใช่ใจนะมันเป็นคลื่นของใจทีหนึ่งเวลาเรามองที่มหาสมุทรเห็นแล้วลอกขึ้นแล้วโลกและริ้วเนี่ยมันจะบดบังมหาสมุทรเอาไว้เวลาเรามองที่ใจเห็นความคิดเห็นความนึกเห็นความง่วงเห็นความง่วงเหงาห่อนอนเห็นความรักบางทีมันก็ปนกันอย่างนี้เราคิดเราคิด คิดว่าเราคิดในความรักความรักคิดอยู่ในความรักวนไปวนมามันบางเป็นขึ้นแต่พวกนี้มันเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติพอที่จะศึกษารำมาทำมะหน่อยเพื่อจะปฏิบัติธรรมพ้นทุกข์ก็เป็นนักสะกดกัน่นถ้าไม่นักเป็นป น, นักสะกดกัน่นก็เป็นนักบล็อกนักกัน้นนักอุด <c oughs> นักต่อต้านต่อต้านอารมณ์ต่อต้านความคิดต่อต้านความรักแอนตี้โลกแอนตี้ครอบครัวแอนตี้บุต แอนตี้ภรรยาแอนตี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแอนตี้แล้วก็วิ่งหนีแล้วก็กลัวแล้วก็หนีไปพ้นนะั่นแหละทีนี้นักภาวนาเนี่ยต้องไม่แอนตี้ไม่ต่อต้านยอมรับมันให้มันให้มองแบบว่ามันเป็นธรรมชาติความสุขก็เป็นธรรมชาติความทุกข์ก็เป็นธรรมชาติความโลภความโกรธก็ลงเป็นธรรมชาติเหมือนดอกไม้มันออกดอ ก, ดอกมาสีชมพู ก, ก็เป็นธรรมชาติอย่าไปดัดแปลง แต่งพันธุกรรมมันปล่อยมันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นปรากฏการในช่วงขณะหนึ่งแล้วก็โรยราไปตามธรรมชาติให้เราเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติการภาวนาก็คือแค่นี้เองเราจะไม่เป็นทุกข์กับมันเวลาคนแก่เดินมาก็เป็นธรรมชาติอย่าไปอย่าไปต่อต้านเวลาคนสาวก็เป็นธรรมชาติดอกกุหลาบมันบานก็ธรรมชาติมันจุงก็ธรรมชาติถึงรูดแรงไฟไหม้ป่าก็ร่องธรรมชาติพอได้ฝนหน่อยมันแตกนอเกิดลูกเกิดหลานเป็นชีวิตใหม่เกิดขึน้นมา <c oughs> บางอย่างหนึ่งตายลงชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นมาแทนในท่ามกลางซากศพจะมีชีวิตใหม่มากๆเกิดขึ้นมาเหมือนซากหนูซากหมามีชีวิตใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะเลยเน <c oughs> สิ่งหนึ่งกรดับลงไปสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาแทนมันหมุนเวียนแปลเปลี่ยนอยู่อย่างเงี้ยในช่วงขณะหนึ่งอาจจะดูดีในช่วงขณะหนึ่งอาจจะดูบิดเบี้ยวในช่วงขณะหนึ่งอาจจะมองไม่เห็นเลยในช่วงขณะหนึ่งไรดีไรชั่วว่างเปล่าจากตัวตนนั้นมันเป็นอย่างงั้นพัฒนาการมันเป็นอย่างงั้น มัน <c oughs> ส่งไม้ไปอย่างนั้นเป็นอ น, นี้ก็เรียกว่าเป็นอ น, นิจจังทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเนี่ยเมืน่อในมวลสารสสารพลังงานต่างๆทั้งรูปทั้งนามทั้งดีทั้งแย่แบ่งออกที่เรามนุษย์แบ่งกันออกมาเนี่ยมัน <c oughs> พัฒนาการไปสู่ความเป็นอนิจจังทุกขงังตา <c oughs> ไปสู่สุญญตาว่างจากความเป็นตัวตนของตนเนี่มื่อทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าต้นไม้ต้นนี้หรือเหตุการณ์นี้ <c oughs> แสงไฟสะลวงสกุ้มมันเป็น ปรากฏการ์หรือช่วงขณะหนึ่งสั้นๆมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้สตารไปตาวรนเมื่อเรามานั่งปรากฏกายใจตรงนี้ก็เป็นช่วงขณะหนึ่งเท่านั้นเองเวลาความสุขมาเกิดขึ้นในใจมันก็แค่ช่วงขณะหนึ่งอย่าไปหลงมันที่พระเจ้าวะอย่าไปหลงมันถึงจะมีคําว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะขันทังห้า <c oughs> ถ้ายึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เข้าใจธรรมชาติจงเข้าใจธรรมชาติและให้เป็นใ ห, ให้ธรรมชาติมันไหลไปให้มันตามธรรมชาติอย่าไปขวางกั้น อย่าเป็นคนที่เอามือเอาเท้าหรือไปนอนขวางคลองคองก็มีน้ําไหลน้ํามันเชี่ยวกาดกระแสของสังขารมันเชี่ยวกาดมันไหลกัว่าไหลเหมือนกระแสน้ําอุปมาดังกระแสน้ําเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันอย่าอย่าไปขวางมันอย่าไปฉุดมันเอาไว้ให้ยอมรับความจริงให้เข้าใจความจริงเข้าใจความจริงแล้วมันจะยอมรับเองทุกอย่างมันจะไหลไปตามธรรมชาติมันและใจของเราก็จะไม่หนักมากเกินไปเหมือนเรามาที่นี่ก็จงปล่อยมันมามันมาก็มา มันทุกข์ก็ทุกข์มันเหนื่อยก็เหนื่อยมันหิวก็หิวก็ยอมรับแล้วมันจะผ่านไปอย่างงดงามทุกอย่างจะกลายเป็นความฝันอเลือนลงังและว่างเปล่าที่นี่จะกลายเป็นอดีตเหมือนที่เราปรากฏกายใจตัวนี้มันยิงเป็นเพียงแก้ช่วงขณะหนึ่ง <c oughs> ช่วงขณะหนึ่งมีหลายรูปแบบทั้งความสุขความทุกข์ได้ราบได้ราบได้ยศเสือเส่อมราบเสื่อมสันเสริญ ม, มีหลายอย่างเลยเป็นสาวเป็นหนุ่ม เ, ออเนี่ยหนุ่มยอดเนีโห วงขณะดหนึ่งของเขาเนี่ส่วนใหญ่เขามีเฮฮาปาร์ตี้ตลอดเลยกึก้าไปได้กากเลย <c oughs> ในคนคนหนึ่งมีหลากหลายเป็นได้หลายแบบคนคนหนึ่งเป็นได้หลายแบบเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นได้หลายหลายเรื่องเรื่องหนึ่งซ่อนอยู่ในเรื่องหลายหลายเรื่องเหมือนดอกกุหลาบซ่อนอยู่ในกิ่งในกิ่งกุหลาบซ่อนดอกกุหลาบในดอกกุหลาบจุ่มๆซ่อนความ หวานหอมซ่อนความสีฟุยนั่นเหมือนพระจันทร์เสี้ยวซ่อนพระจันทร์เต็มดวงไงพระจันทร์เต็มก็ซ่อนพระจันทร์เสี้ยวความมืดซ่อนความสว่างความสว่างซ่อนในความมืดหญิงงามซ่อนหญิงฉลาอยู่ข้างในข่าวดีซ่อนข่าวร้ายมันซับซ้อนถ้าเราศึกษาพระธรรมเข้าจริงๆนี่พระธรรมก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะก็คือซ่อนอยู่ในกันและกันมันซับซ้อนอย่าพึ่งตัดสินเวลาเห็นอะไรพบอะไรใจของเราเห็นอะไรพบอะไรอย่าตัดสิน อย่าพึ่งตัดสินเย็นไว้เย็นไว้ทุกอย่างจะแปลไปเมฆดําจะกลายเป็นเมฆขาวเมฆขาวจะกลายเป็นเมฆดำหญิงงามจะกลายเป็นหญิงชราดอกกุหลาบที่สดจะกลายเป็นดอกกุหลาบเหี่ยวและกลายเป็นกอว่างเปล่าพระเจ้าจึงบอกว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่าพิ่งสรุปอย่าพิ่งยึดมั่นเย็นไว้เย็นไว้ทุกอย่างมันหลายๆอย่างมันอยู่ในสิ่งิงหนึ่งสิ่งหนึ่งลึงรวมเอาสิ่งหลายสิ่งไว้ได้ไงบางอย่างมาในรูปแบบของความสุขความสุขเอวตานเป็นความทุกข์ได้เช่นเดียวกับดอกกุหลาบอันสด สดอิ่มอาวัาตถาันเป็นดอกกุหลาบเหี่ยวแห้งก็ได้และเอาวตาันเป็นดอกกุหลาบบ้างเปล่าเหมือนหญิงงามเอาวตาันเป็นหญิงชราพระจันทร์เต็มดวงเอาวตาันเป็นพระจันทร์เสี้ยวลูกออสเอาวตาันเป็นคางคกแก่เห็นไหมเคยเห็นไหมอีหวงกันบ้างอีห่วงกันบ้างันคนบ้านอีสานอีหวกบบบต่อมากแบบคางคกกันไหมเนี่ยเห็นเอวัตถันนยงองแง่งเอาวตาันเป็นยุงได้ นอนที่น่ารักบางคนก็บอกว่ า, ามันน่าขยักขยแยงเอาตารเป็นผีเสื้อได้ในมิติหนึ่งในช่วงขณะหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างเช่นเดียวตัวเราเนี่ยบางช่วงขณะเรามีอารมณ์ความสุขบางช่วงขณะมีอารมณ์ทุกข์บางช่วงขณะเวทนามันกล้าบางช่วงขณะเรามีความเบิกบานใจอย่าอย่าเพิ่งยึดติดแ ต, ต, ตหนักรู้เข้าไว้นักภาวนาต้องแค่สังเกตรับทราบไว้ ซึ่งความปิติไม่ใช่ใจที่แท้จริงความทุกขเวทนานะ่ยมันไม่ใช่ใจที่แท้จริงเวลาความสมหวังก็ไม่ใช่ใจที่แท้จริงใจที่แท้จริงไม่ใช่ความสมหวังผิดหวังไม่ใช่สุขหรือทุกข์ไม่ใช่ความคิดดีคิดชั่วไม่ใช่ถูกใช่ผิดไม่ใช่สวรรค์ดือ น, นลกมันอยู่เหนือมากกว่านั้นอีกพวกนี้เป็นเพียงปรากฏการเพียงละลอกขึ้นเป็นเป็นขึ้นเล็กๆที่มาบดบงังธรรมชาติที่แท้จริงของเราอาไว้ การภาวนาหรือการมาที่นี่หรือไปที่วัดหรือศึกษาพระธรรมทั้งหมดทั้งมวลของพุทธศาสนายอดสุดก็คือต้องเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของตนเองไม่ใช่ของผู้อื่นนะของตัวเราเองเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงลักษณะที่แท้จริงธรรมชาติที่แท้จริงหรือเก่นแท้เนื้อแท้หรือเนื้อหาของมันที่แท้จริงเราก็จะผ่านความสุขผ่านความทุกข์อาศัยจะเข้าใจถึงธรรมชาติแท้จริงเราก็ต้องอาศัย เนื้อหาอาศัยปรากฏการความสุขความทุกข์ความดีใจเสียใจความคิดความนึกความคิดดีคิดชั่วพวกเนี้มันเป็นคลื่นที่บังร่อยถ้าสังเกตโอ้ที่แค่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเนื้อหาเป็นปรากฏการหนึ่งที่เกิดและดับลงไปเหมือนลอกค ล, ะละื่นเกิดดับในมหาสมุทรเหมือนหมอกเมฆที่เกิดดับในท้องฟ้าเหมือนเสียงเกิดในความเงียบให้เราสังเกตไว้และอย่าต่อต้านมันเมื่อใจของเราไม่ต่อต้านสิ่งต่างแล้วโอไม่ต้องเป็นอะไรหรอก แค่เป็นใจของเราเนี่ะไม่ต้องไปบวชไม่ต้องไปวัดวัดที่ไหนวัดที่ใจใจนั่นคือวัดทุกอย่างเกิดที่ใจระดับที่ใจสุกทุกเกิดที่ใจระดับที่ใจคิดดีคิดชั่วเกิดที่ใจระดับที่ใจความรักความชังเกิดที่ใจระดับที่ใจไม่มีอะไรหรอกที่เกิดที่ใจแล้วไม่ไม่ดับที่ใจพอเราค้นพบใจของเราแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นเพียงระลอกขึ้นทุกอย่างก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ซึ่งสัมพันธ์กันอยู่คำว่าสัมพันธ์หมายใจสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราอนปรากฏการณ์จริงเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ไหลไปพร้อมๆกันเป็นมิติต่างๆธรรมชาติเราในนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้สุกกายเป็นทุกข์ได้หญิงงานเป็นหญิงชราได้พระจันทร์ตำดวงเป็นพระจันทร์เสี้ยวได้ลาบเป็นเสื่อมลาบได้เกิดกลายเป็นตายได้งานเลี้ยงกายเป็นงานศพได้กลางคืนกลายเป็นกลางวันได้ดีใจกลายเป็นเสียใจได้บางอย่างมาในรูปเสียงหัวเราะแต่ปิดท้ายด้วยเสียงร้องไห้บางอย่างได้ผ่านมาด้วยความงดงามแต่ ปิดท้ายด้วยความน่าเกลียดสมหวังและผิดหวังนะมันเป็นลักษณะได้ราบและเสื่อมราบพรจันทร์เต็มดวงและพระจันทร์เสี้ยวถ้าเราเข้าใจนะก็ ก, ก็ไม่ต่อต้านไม่ไม่ต่อต้านไม่แอนตี้ไม่เลือกแล้วทุกอย่างมันจะผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปอยู่อย่างนี้วันยังคำ่ำ <c oughs> มันสัมพันธ์กันก็คือเป็นนักตื่นรู้เป็นนักสังเกตตั ทีนี้ก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจว่าโอ้ปรากฏการในจิตใจของเราลาบยศสนเสริญเป็นเรื่องธรรมชาติเกิดแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติก็ <c oughs> เป็นนักสังเกตอยู่บนยอดเขายอดเขาเหมือนผู้ผู้สังเกตเมฆหมอกอยู่บนยอดเขาเมฆหมอกสัมพันธ์กับท้องฟ้าแล้วล อ, อกขึ้นสัมพันธ์กับมหาสมุทรเสียงสัมพันธ์กับความเงียบใจของเราสัมพันธ์กับปรากฏการแล้วล อ, อกขึ้นเกิดดับในมหาสมุทร หมอกเม่เกิดดับในท้องฟ้าความเงียบเกิดดับ <c oughs> เสียงเกิดดับในความเงียบสุขทุกข์เกิดดับในใจมีแค่นี้ <c oughs> แค่เราสังเกตตัวตรงนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ทีนี้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้เพราะว่าใจของเรามีตลอด <c oughs> ตลอ ด, ตลอ ด, ต, ลอดตลอดเวลาสุขทุกข์เป็นแค่อคันทุกกะชั่วคราวถ้าเราเข้าใจเรื่องใจเนี่ยก็ง่ายในการภาวนาจะใส่เครื่องแบบก็ได้ไม่ใส่เครื่องแบบก็ได้จะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้เป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ดี อยู่ที่มือที่แก้งไม่สำคัญที่ดีที่แย่ไม่สำคัญเพราะใจของเราไม่มีที่ใจ้งเรามันไล้ตัว ต, วตนทุกอย่างเกิดที่ใจแล้วเรารู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ง่วงก็รู้เหนื่อยก็รู้ท้อก็รู้ดีใจหัวเราะก็รู้ <c oughs> <c oughs> แต่สุดท้ายมันจะเงียบสงบลงหมดถ้าเราสังเกตตรงนี้มันก็ง่ายมามา <c oughs> มาเดินทุดง <c oughs> ที่ว่าเดินทุดงมันเป็นอุบาย <c oughs> มาบนยอดภูยองภูเป็นอุแค่อุบายเป้าหมายสูงสุดคือใจถ้าเราเข้าใจเรื่องใจเนี่ยมันไม่มีปัญหาทางกายภาพแค่เคลื่อนไหวมันเป็นภาพลวงเนี่ยเหมือนมันเหมือนจริงๆนะที่เรามาที่นี่มันเหมือนนะเหมือนเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์จริง น, นันเอยอดพูก็เหมือนยอดภูจริง <c oughs> แต่พวกนี้มันบังจริงจริงมันเป็นเป็นเรื่องราวเนื้อหาแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนขึ้นถ้าเราที่ถ้าเราจะห้ามไม่ให้สะท้อนได้ไหม <c oughs> ไม่ได้เหมือนดอกกุหลาบ ห้ามให้ห้ามออกดอกไม่ได้ห้ามเมฆไปท้องฟ้าไม่ได้ห้ามทะเลมันมีขึ้นไม่ได้ห้ามเสียงมันเกิดขึ้นในจักรวาลนี้ไม่ได้เออห้ามพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เที่ยวห้ามไม่ได้นี่คือเรื่องธรรมชาติแต่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปนี่คือธรรมชาติอันนั้นเหมือนเราห้ามเรื่องไม่ให้เรามาที่นี่ก็ไม่ได้มันเป็นตาตำธรรมชาติทําไมคนอื่นก็ไม่มาก็เพาะเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันกุหลาบก็ออกดอกเป็นกุหลาบไม่ออกเป็นผลแดงโมนะ เี่แม่ธรรมชาติที่ซับซ้อนมากเลยแต่สุดท้ายไม่ว่าจะออกรูปแบบไหนก็สุดท้ายก็แค่แต๊กแท๊กแทกแทกแทกไปเช่นเดียวกันเรื่องราวที่เกิดในใจของเราก็ก็อย่าต่อต้านมันยอมรับมันแล้วมันจะผ่านไปโดยดีมันก็จะมีหนักเบาหนักบ้างเบาบ้างสุกบ้างทุกบ้างมันเป็นเรื่องสีสันเป็นเรธรรมชาตินี่ก็เราอยู่ที่บ้านแล้วปล่อยมันชีวิตของเราจมปักดักดานแล้วก็ ให้เรื่องราวเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าขี่รถไปทํางานกลับบ้านมาพูดคาเดิมๆพูดแบบเดิมๆทาแบบเดิมๆ เ, เหมือนหนูไปหากินเหมือนหนูมีรูอยู่แล้วก็ออกไปหากินแล้ววิ่งไปวิ่งมาทําท่ากิริยาเหมือนเดิมไม่มีสาระอะไรอะไรอย่างนี้นะชีวิตของคนมนุษย์เราคล้ายๆกันนะอันนี้มานี่ให้มันไม่เกิดมีความสีสัน <c oughs> ธรรมชาติมันเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเรื่องโลกแห่งความสีสัน ธรรมชาติแข่งทื่อนะไม่มีสีสันกุหลาบไม่ออกดอกพระจันทร์ไม่เปลี่ยนจากเต็มดวงเป็นเสี้ยวไม่มีสีสันคนเราไม่รักรักไม่เป็นชังไม่เป็นไม่มีสีสันเป็นมนุษย์แข็งทื่อเป็นมนุษย์ตายซากอันนี้มันมีชีวิตมนุษย์เรามีชีวิตทีนี้เราถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีมีความสุขสุขยังไงสุขเพราะความเข้าใจสุขสงบเย็นนั่นเองเป็นการตระหนักรู้เป็นการตื่นรู้เป็นการสังเกตเป็นการยอมรับโลกทั้งใบ ปรากฏกันณ์ทั้งสิ้นที่มันเกิดขึ้นไม่ต่อต้านไม่เข้าไปแทรกแซงมันไม่เข้าไปเปลี่ยนมันดอกกุหลาบก็เป็นดอกกุหลาบไปเมฆดําเมฆขาวก็เปลี่ยนไป <c oughs> มีความสุขความทุกข์ก็เป็นไปสมหวังผิดหวังก็เป็นไปตามธรรมชาติตธรรมชาติของใจมนุษย์มีภูมิคุมกันมันมันอัศเสีย จ, จันทร์มนกันเวลาคนร้องไห้มากๆมันก็หยุดนะ <c oughs> เวลาคนเสียใจมากในทสุดมันก็มีภูมิคุ้มกันอย่างนางปัจจาจลานี่อพอร้ อ, องไห้มาเสียใจมากมาก็กลับเป็นพรผลาญไป พระเจ้าเมื่อถึงขีดสุดของท่านในการแสวงหาทางโลกทางวัตถุท่านก็ไปบวชแต่พวกเราก็เหมือนกันต้นดอกกุหลาบเหมือนกันมันออกเบิกบานเต็มที่แล้วมันสุกเปล่งรัศมีเปล่งแสงออร่ามันก็เหี่ยวแห้งไปเหมือนพระจันทร์เต็มดวงเต็มที่มันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนี่ขบวนการของธรรมชาติเป็นอย่างนี้เหมือนโลกออดกลายเป็นกบมันอัศจรรย์นะแมงม่วงแง่งกลายเป็นยุงลูกนอนไปกลายเป็นผีเสื้อหญิงงามเป็นหญิงชรานี่อย่าพึ่งไปกล่าวโทษหญิงชรานะค่อนข้างจะงดงามแบบเขา มันมีสีสันไงพร ห, หญิงงามเป็นผู้เสียสละให้หญิงงามเอ๊ะหญิงชราเสียสละให้หญิงงามโดดเด่น <c oughs> แต่มันเป็นเงาสะท้อนกันละกันเป็นกระจกดังนั้นไม่ทุไม่ว่าจะเจอมิติไหนเจอเหลี่ยมไหนของเรื่องราวของโครงสร้างปรากฏการ์ <c oughs> อย่ายึดติดอย่าถือสาให้มองแบบมีปัญญามองมองแบบไซโก้ยมองแบบไม่สรุปมองแบบไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นแม่ตัดสินมิภาคษา ที้เราก็จะเป็นนักภาวนาแบบอิสระไม่ติดในรูปแบบไม่ติดในพจน์ในวัดไม่ติดในการท่านั่งท่านอนท่ายืนไม่ติดในสำนักไม่ติดอะไรเลยรู้อย่างเดียวว่าเรามีใจทุกคนมีใจเสมอกันและเรื่องราวสุขทุกข์มันเกิดที่ใจระดับที่ใจ <c oughs> สังเกตได้ง่ายดูว่าสุขทุกข์เกิดที่ใจระดับที่ใจถ้าไม่พูดว่าสุขหรือทุกข์ก็แค่เรื่อ ง, เ ร, องเรื่องเหตุเหตุหนึ่งเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึนด้นในใจระดับของคนในใจ กรทั้งไล่คำพูดตื่นรู้อย่างไล่คำพูดและทุกอย่างจะผ่านไปเหมือนฤดูกาลสุดท้ายเราก็จะสงบเงียบในขำซะอีกนี้ก็จะเป็นเรื่องขำๆสุขทุกเป็นเรื่องขำๆความรักความชังเป็นขำๆสมหวังผิดหวังเป็นขำๆขำๆมันเป็นเรื่องขำๆเรื่องธรรมดาหน้าเป็นสีสันน่อเนี่ยอะไรงเรามาที่ปู้หลวงก็เป็นสีสันเป็นสีสันของชีวิต ถ้าเรานอนอยู่ที่บ้านอย่างเดียวก็ไม่มีสีสันฟังเขาเล่าก็ไม่สนใจนะเออเหมือนผลมไม้ทิพยนะ์เ่ยถ้าเราไม่ชิมด้วยตัวเองเราไม่รู้นะมันเปรี้ยวยังไงรสจัดจา้านยังไงไม่ต้องว่าเปรี้ยวอย่าพูดคําว่าเปรี้ยวขึ้นมามันเป็นมันจัดจา้านถึงใจ จ, จริงๆนี่นั่นแหละมันก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งเป็นมิติหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นมันมันเปรี้ยวจริงๆเวลาเดินกันปวดขาจริงเหมือนปวดจริงๆเออจริงๆแล้วมันก็หายไปละ เมื่เาเห็นพระจันทร์เต็มดวงเห็นพระจันทร์เสีย้ยวเห็นฝนตกเห็นความหนาวความเหน็บความเหนื่อยความเพลียความง่วงเงาห้องนอนมันก็แค่ช่วงขณะหนึ่งแล้วอย่าไปกล่าวโทษว่ามันเป็นอย่างนี้อย่าไปเลือกอืถ้าเราเลือกเอาแต่เอ้ยไม่ง่วงได้ไหมก็ยุ่งเหมือนกันเอาแต่ดอกบานได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันใครง่วงเอาไดเม็ดนี้ <laughs> เองง <laughs> เองง <c oughs> เนี่ยตัวแกส้มซาสม์เหรอเออก็น่าสนนะเพิ่มซาผู้หลวงเนาะ สาจริงๆนะอาจารย์ว่ามันมันมันไปกว่ามะยมนะโอ้ไกลกว่าไกลกว่าเนอะรถรถชัดชัดกว่ามะยมยัเกลียวกว่ามันมันน่าจะมีหวานหวานหน่อยนะมันอยู่ยอดคูนี่แหละเขาเรียกว่าเนื้อหาอ่ารายละเอียดมันลงไปเอพวกประสบการณ์เหล่านี้นะเออมันเป็นรายละเอียดของการมาปรากฏกายใจของช่วงขนาดนี้ เดินความเหนื่อยความเมื่อยความล้านี่ก็เป็นปรากฏการั์หนึ่งเป็นเนื้อหาหนึ่งเป็นรายละเอียดหนึ่งที่ให้เราเรียนรู้ถ้าเรายอมรนะับเขาไม่ต่อต้านเขาถ้าต่อต้านมันก็จะไม่กล้าฝึกฝนถ้าไม่กล้าฝึกฝนตนเองไม่กล้าประสบการณ์อย่างนี้เราก็จะกลายเป็นคนงองแงแพ้ไพ่เจอปัญหาเล็กเล็กน้อยก็จะเป็นคนบริหารอารมณ์ไม่ถูกมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็งองแงแพ้ไพโ่โมโหจัด โกรธจัดเกียจจัดรักโลภโกรธหลงรุนแรงใส่อารมณ์เต็มที่แต่สุดท้ายมันก็ต้องต้องต้อ ง, ต, องต้องมีครูบาอาจารย์มาแนะนําแต่ก็ไม่ใช่ผิดนะคนที่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้งอแ ง, งแปรป้ายมีนิดมีหน่อยก็โซซะผงผางไปเลยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นแค่ช่วงขนาดหนึ่งของเขาเช่นเดียวกับดอกกุหลาบมันจูมมันก็เป็นช่วงขนาดหนึ่งของเขาไม่มีผิดไม่ถูกคน mm hmm. กินเหล้ามอ ย, ยาก็ไม่ผิดไม่ถูกมันเป็นช่วงขนาดของเขา ผีเสื้อไม่ได้เป็นผีเสื้อตลอดแมงง้องแง่งไม่ได้เป็นแมงง้องแย่งตลอดทุกอย่างมันอวตารแปลเปลี่ยนแลสภาพไปเรื่อยสิ่งหนึ่งซ่อนอยู่ในสิ่งหนึ่งดีซ่อนอยู่ในชั่วชั่วอยู่ในซ่อนอยู่ในดีดำซ่อนอยู่ในขาวขาวซ่อนอยู่ในดำเหมือนหินกับหยางในดีมีชั่วในชั่วมีดีในหญิงงามมีหญิงฉลาดในแมงง้องแง่งมีตัวยุงเห็นไหมมีในตัวหนอนมีผีเสื้อในความเกิดมีความตายซ่อนอยู่ในกันและกัน แต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องรลา่าเหมือนเรื่องในฝันนะดังนั้นเร า, ยาอย่าอกังวลอะไรกับเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้ตื่นตัวตื่นรู้แล้วทุกอย่างจะผ่านไป <c oughs> แป๊บหนึ่งก็กลับไปยุงเกพแล้ว <c oughs> <c oughs> เรื่องนี้ไว้เมื่อกี้อาทิตย์ที่แล้วปีที่แล้วสิบปีก็ลืมแล้วแค่ทางานต่อเนี่ยจําไว้ ตื่นรู้ไว้ครั้งหนึ่งในเขาเรียกว่าช่วงขณะหนึ่งของชีวิตเราได้มาดำรงชีวิตอยู่ตรงนี้ได้สัมผัสรับทราบทั้งผลหมากลากไม้ทั้งเส้นทางและ <c oughs> เวทนากันแก่ก้าความหนาวเหน็บอืมมันเป็นแค่ช่วงขณะหนึ่งเหมือนความสุขนั่นแหละเหมือนความรักครั้งแรกเหมือนความสุขครั้งแรกเหมือนความผิดหวังครั้งแรกสุดท้ายมันเป็นแค่เป็นเรื่องราวที่ผ่านไปดังสายลมเหมือนฤดูการ แค่แค่นั้นแหละอย่าไปจริงจังกับมันอย่าไปอีน้นรนขังขอบกันมากมากเกินไปให้ผ่อนคลายให้ยอมรับทุกอย่างปเป็นเรื่งธรรมชาติเออมันแค่แค่อย่างนี้นะเห็นคนดีก็โอ้มันก็ธรรมชาติเห็นไม่จารย์ดัวดงก็เป็นธรรมชาติเดี๋ยวก็ผ่านไปไม่มีอะไรเป็นบทสรุปที่แท้จริงมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นทุกอย่างเหมือนใบไม้ที่เยือกสดซ่อนความเหี่ยวแห้งเอาไว้ข้างในและซ่อนความว่างเปล่าในที่สุดทุกสิ่งอย่างกําลังดําเนินทางเดินเดินทาง <c oughs> ไหลแข่งกันเดินทางแข่งกันไปสู่ความไรตัวตนทุกสิ่งไม่เป็นอย่างที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นเป็นเพียงภาพลวงเป็นเพียงภาพมายาดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราอย่าไปต่อต้านอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลมากเรื่องดีเรื่องแย่เรื่องถูกเรื่องผิดให้แค่ตระหนักรู้ด้วยตนเองแล้วทุกอ ย, ากย่างก็ผ่านไปสุขทุกเกิดที่ใจระดับที่ใจที่ดีขี้ชั่วเกิดที่ใจระดับที่ใจสมหวังผิดหวังดีใจรักลบกดหลงเกิดที่ใจระดับที่ใจเรารู้สังเกตดูแค่สังเกตดู นั่นคือการภาวนาแล้วความโลภความโกรธก็ต้ ง, งจะลดบทบาทลงจะผ่อนคลายลงกลายเป็นการสังเกตล้วนๆ <c oughs> ตื่นรู้ล้วนๆ <c oughs> ไงยอด <c oughs> หายง่วงหรือยัง <c oughs> ใครเหนื่อยก็ไปพักผ่อนได้น ะ, <c oughs> ะไปปีกส่วนตัวหด้ใช้ ใช้ชีวิตให้คุม้มใช้ช่วงเวลานี้ให้คุม้ม น, น, นะในยอดนี้ส่วนใหญ่ตัวละครนี้สนุกสนานเนาะต้องใส่จออชอบหมาป่าจังเลย <c oughs> <c oughs> ในยอดมีทั้งชนีทั้งข้างทั้งหมาป่าทั้งช้างทั้งนกมีหมดเลยนะสิ่งสิงหนึ่งจุ <c oughs> ได้หลายอย่างเป็นได้หลายอย่างทั้งความสุขความทุกข์โลคกลกมมีหมดเลย ไม่ยินส er> ้งชายจะได้กินแล้วมั้งเออเออนั่นแหละเป็นวิธีตั้งเงสิป้าตาเหรอ